จิตเป็นอย่างไรตายไปก็อย่างนั้นจะทาโดยจินตนาอามรวิทยากิจเวชาหากฝึกกสินสำเร็จรู้ว่าภาวะนรกสวรรค์มีต้นรากมาจากกรรมใดพอมองย้อนเข้ามาที่ภาวะอันเป็นปัจจุบันคุณก็สามารถตัดสินถูกเช่นกันว่าชาตินี้ของคุณเป็นต้นรากของนรกหรือสวรรค์ ทุกอย่างอาจปรากฏต่อจิตง่ายๆเพียงถามตัวเองว่าถ้าตายไปตอนเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อให้ยังไม่สำเร็จอาโลกักสินคุณก็สามารถตอบคำถามง่ายๆได้เช่นขณะนี้จิตสวยจิตหล่อหรือจิตขี้เรจิตเรียบหรือจิตยุยยิจิตกล้าหรือจิตขลาดจิตนิ่งหรือจิตฟุ้งจิตสบายหรือจิตข้อง จิตขาวหรือจิตดำจิตศิวิไลหรือจิตป่าเถื่อนทุกคนรู้สึกได้ตลอดชีวิตว่าจิตเหล่านี้มีจริงเปลี่ยนได้เรื่อยๆจริงทว่าด้วยความไม่รู้จึงไม่อยากเชื่อว่าจิตเป็นอย่างไรตายไปก็อย่างนั้นอันนี้อาจแก้ความเข้าใจใหม่เสียด้วยข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัตถุปะมะสูตรความว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ก็เป็นอันหวังทุกติได้แต่เมื่อใจไม่เศร้าหมองแล้วสุ ข, ขติเป็นอันหวังได้อีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าข้างตนเองคือเคยมีรูปร่างหน้าตาและฐานะอย่างไรถ้าชาติหน้ามีจริงก็คงเหมือนเดิมแต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกรร ม, มสูตรพึงเข้าใจว่ากรรมเกา่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นที่ตั้งของสุขทุกข์ในปัจจุบันนี่เองและที่ควรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างสำเร็จได้ด้วยกรรมที่คนคนหนึ่งเคยเจตนากระทาในอดีตด้วยกายวาจาและใจส่วนกรรมใหม่นั้นพึงเข้าใจว่าคือกรรมที่คนคนหนึ่งกำลังเจตนากระทาด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เมื่อคานึงถึงความจริงที่ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ควรได้ข้อสรุปคือกรรมเกา่าดูได้จากกระจกเงาส่วนกรรมใหม่ดูได้จากความรู้สึกในใจทำอะไรลงไปเจตนาดีหรือร้ายทุกคนรู้แก่ใจทั้งนั้นเมื่อก ร, รมใหม่ดูได้จากความรู้สึกอันเป็นภายในพอพูดว่าทัาชาตินามีจริง หลายคนจึงบอกจากความรู้สึกของตัวเองถูกว่าตนเองน่าจะไปดีหรือท่าทางจะไปร้ายและเพราะความรู้สึกบอกตัวเองว่าท่าทางจะไปร้ายหลายคนจึงเพิกเฉยไม่สนใจศึกษาเรื่องบุญบาปกับทั้งมีแนวโน้มจะด่าทอผู้ที่ศึกษาและศรัทธาด้วยถ้อยคำรุนแรงเหตุผลง่ายๆคือถ้าเชื่อ ก็แปลว่ายอมรับในที่อยู่กับตนเองว่าตายไปคงแย่หน่อยส่วนบางคนไม่เชื่อก็จริงแต่ไม่ดูถูกคนที่ศรัทธาแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้ในส่วนลึกมักเบาใจอยู่เองว่าท้าชาติน่าจะมีจริงความรู้สึกก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะทราบแก่ใจว่าตนไม่ใช่อจชญยากรไม่ได้ไปก่อบาปก่อกรรมให้ต้องลุ้น หน้าหวาดเสียวในภายหลังเอาไว้ <altre> เพื่อที่จะรู้สึกถึงจิตวิญญาณตัวเองในชีวิตประจาวันโดยไม่ต้องฝืนฝึกหรือเพียรพยายามอะไรมากให้ลองถามตัวเองง่ายๆว่าคุณเคยมีความรู้สึกขัดแย้งระหว่างข้างนอกกับข้างในบ้างไหมถ้าคุณสวยจัดหล่อจัดมองเงาตัวเองในกระจกและภาคภูมิใจเคยลองถามตัวเองดูไม่ว่า ความรู้สึกข้างในมันสวยหรือหล่อได้เท่าที่เห็นในกระจกหรือเปล่าอ่จเคยเกิดประสบการณ์ทํานองเห็นว่าเงานในกระจกดูดีหลอกหลอกแต่ความรู้สึกภายในชั่วร้ายจริงๆนั่นเป็นตัวอย่างให้ทราบด้วยใจว่ากรรมเก่ากับกรรมใหม่ขัดแย้งกันเป็นคนละเรื่องเคยดีแต่ตอนนี้ไม่ดีแล้วและกาลังจะต้องเป็นทุกข์หนัก ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่ถ้าคุณหน้าตาธรรมดาธรรมดามองเงาตัวเองในกระจกและไม่ค่อยปลืม้มเคยลองถามตัวเองดูไม่ว่าข้างในมันเบ่งบานอาภาเกินเงากระจกให้รู้สึกได้หรือเปล่าหากเคยเกิดประสบการณ์ทำนองรู้สึกว่าข้างในงดงามจังแต่ทำไมเงาในกระจกกลับไม่ได้เท่าครึ่งอันนั้นแหละเป็นตัวอย่างให้ทราบด้วยใจว่า กรรมใหม่ฉีกแนวจกรรมเก่าแล้วเคยแค่ธรรมดาแต่ตอนนี้พิเศษและกําลังจะสวยสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้ายังไม่ต้องสงสัยจะเห็นว่าความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละบอกอะไรคุณได้มากมายเหลือเกินกรรมขาวสร้างจิตขาวกรรมดำสร้างจิตดา เมื่อจิตแบบใดตั้งมั่นในขณะมีชีวิตหลังตายย่อมมีชีวิตใหม่สอดคล้องกันทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่และชะตาดีร้ายขอให้ฝึกดูความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนของจิตในชาตินี้วันนี้กระทั่งรู้สึกเห็นจริงๆ จ, จังๆว่าจิตปรไปตามกรรมวันไหนสะสมความดีไว้ตลอด จะรู้สึกถึงความขาวสว่างวันไหนสะสมความชั่วไว้ไม่เลิกจะรู้สึกถึงความดำมืดเพื่อจะรู้สึกถึงจิตอย่างชัดเจนให้ขึ้นต้นด้วยการรู้สึกถึงลมหายใจตลอดจนอิริยาบถอันเป็นปัจจุบันก่อนเช่นคนกํำลังนั่งอยู่อย่างเนี้ยรู้สึกว่าหลังงอหรือหลังตรงหายใจเข้าหรือหายใจออก ความรู้สึกทางกายที่เป็นรูปเป็นร่างนั่นเองจะเป็นบาดฐานหรือกระทั่งตัวเหนียวนำให้รู้สึกถึงความเป็นจิตที่ครองกายอยู่นั่งหลังตรงตามองตรงแล้วรู้สึกถึงความมืดหรือความสว่างที่อยู่ข้างในนั่งหลังงอตามองพื้นแล้วรู้สึกถึงความหดหูหรือเบิกบานความรู้สึกที่เกิดขึ้น คือสภาพที่กําลังห่อหุ้มจิตวิญญาณทั้งดวงไว้คนไม่มีวิธีอื่นที่จะตัดสินนอกจากถามใจตัวเองเอาว่าเป็นอย่างไรอยู่เพื่อเป็นหลักให้จำได้ว่าเริ่มต้นขึ้นมามีจิตแบบใดให้สังเกตดูพระพุทธเจ้าจึงจำแนกจิตไว้เป็นคู่คู่ตามธรรมชาติของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสหลักๆในชีวิตประจาวัน อันได้แก่ราคะโทสะโมหะดังนี้หนึ่งเมื่อจิตมีราคะก็รู้ยอมรับตามจริงว่าจิตมีราคะพอราคะหายไปก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากราคะเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันเมื่อติดใจรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมา เหมือนเกิดยางเหนียวเหมือนเกิดภาวะย้อมจิตให้อยากเสพอยากยื้ออยากไขว่คว้ารูปเสียงกลิ่นรสเข้าหาตัวก็ให้มีสติรู้ว่าราคะอ่อนๆเกิดขึ้นในจิตเมื่อรู้ในลักษณะยอมรับความจริงไม่ต้อนรับและไม่ขับไล่ยางเหนียวที่ยึดจิตย่อมเจือจางลงกระทั่งแห้งสะอาดที่เหลือก็คือจิตที่ปราศจาราคะ และนั่นเองคือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆ 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ยอมรับตามจริงว่าจิตมีโทสะพอโทสะหายไปก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากโทสะเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวัน เมื่อถูกกระทบกระทั่งจนเกิดวูบแห่งอารมณ์ร้อนขึ้นมาเหมือนเกิดแรงดันเร่งเร้าให้อยากด่าหรืออยากชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจก็ให้มีสติรู้ว่าโทสะ อ, อ, อ่อนเกิดขึ้นในจิตเมื่อรู้ในลนักษณะยอมรับความจริงไม่ต้อนรับและไม่ขับไล่ไอร้อนที่รมจิตย่อมเย็นตัวลงกระทั่งดับสนิทไม่เหลือ ที่เหลือก็คือจิตที่ปราศจากโทสะและนั่นเองคือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆ3งมเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ยอมรับตามจริงว่าจิตมีโมหะพอโมหะหายไปก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากโมหะเป็นอย่างไร ในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดความรู้สึกขุนมัวไม่อยากคิดดีๆไม่อยากพูดชัดๆไม่อยากรับผิดชอบหน้าที่ใดๆเหมือนเกิดหมอกควันห่อหุ้มจิตก็ให้มีสติรู้ว่าโมหะอ่อนๆเกิดขึ้นในจิตเมื่อรู้ในลนักษณะยอมรับความจริงไม่ต้อนรับและไม่ขับไล่หมอกควันที่ห่อหุ้มจิตย่อมเบาบางลงกระทั่งกระจายหาย ที่เหลือก็คือจิตตื่นตัวพร้อมคิดดีพูดชัดและรับผิดชอบหน้าที่ต่อไปและนั่นเองคือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆวูปสั้นๆแห่งการเห็นจิตตนเองหลังกิเลสผ่านพ้นไปนั้นจะเกิดความสดใสโปร่งแสงและสะอาดรอบขึ้นชั่วขณะหนึ่งคุณจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมากนะัก แต่ถ้าเห็นเล่นเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่ชัดเจนใสเบาและคงเส้นคงวานานขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอาจรู้สึกถึงขั้นที่ว่าจิตโปร่งเบาเหมือนฟองสบูส่ใสๆที่ไร้ความรู้สึกว่ามีตัวตนจิตวิญญาณแบบนั้นละ่ะจิตวิญญาณความเป็นพุทธะคุณจะเริ่มเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น นั่นคือความรู้สึกว่าจิตเที่ยงมีตัวคนอยู่ในจิตเป็นแค่อุปาทานและด้วยอุปาทานสำคัญมั่นหมายอยู่เช่นนั้นจิตจะพร้อมทําบาปเพื่อตัวตนได้ทุกเมื่อและแต่ละครั้งที่ความคิดเริ่มก่อตัวเป็นดีก็ยอมเกิดการไขจิตให้สว่างแต่ละครั้งที่ความคิดเริ่มก่อตัวเป็นชั่วก็ยอมเกิดการกั้นจิตให้มืด เหล่านั้นเองคือตัวการสะสมสภาพสว่างหรือสภาพมืดหากจิตของคุณชอบใจและยึดติดข้างสว่างก็เท่ากับค่อยๆก่อร่างสร้างภพชาติใหม่ที่สว่างไว้แต่หากจิตของคุณชอบใจและยึดติดข้างมืดก็เท่ากับค่อยๆก่อร่างสร้างภพชาติใหม่ที่มืดไว้ตอนนี้จิตเป็นอย่างไรตายไปก็อย่างนั้น ธรรมชาติก่อร่างสร้างภพของคุณเป็นอย่างไรของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย